ะจะเจริญพรโยมถ่ายรูปเพื่อถ่ายนะเดี๋ยวตอนเทศอย่าถ่ายเชิญเชิญเพออย่างพอแลอ้วเชิญเวลาหลวงพ่อเทศขอความร่วมมือนะอย่าถ่ายรูปนะเวลาแสดงธรรมะเนี่ยไม่มีผล่ล่วงหน้ามันอยู่ที่ใจของคนฟังใจของเราสงบ ธรรมะมันก็ประณีตลึกซึ้งขึ้นมาน้าใจเราฟุ้งซ่านวอกแวกบวักแว๊บไปได้ธรรมะมันก็จะแหว่งไปแหวงมาพอเหมาะพอควรกับคนฟังธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะในภาคปริยัติปริยัติเตรียมโผไว้ก่อนวันนี้จะต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ตอนที่หลวงพ่อยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไร แต่รู้สึกว่าหัวข้อที่กำหนดให้หลวงพ่อพูดจะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจาวันเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะวาดภาพ ม, มาต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมถ้าทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องช้าช้าต้องนุ่มนวลต้อง ช้าๆค่อยๆขยับอยากจะเดินก็ต้องช้าๆและทําอะไรทุกอย่างต้องช้าๆแล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ต้องหลับตาถึางจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งลืมตาก็ไม่ได้ต้องนั่งในท่านี้ด้วยต้องเดินในท่านี้ด้วยถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติขาดความเพียร หลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราทําสมาธิมากเนี่ยจะเดินชา้าถ้าเราคนา้นคว้าพิจารณาธรรมะมา ก, มากพิจารณากายพิจารณาใจมากเนี่ยจิตจะฟุง้งซ่านหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่นั่งสมาธิไม่เดินโจงกรมไม่ทําในรูปแบบไม่ใช่ อาศัยการทำในรูปแบบในเบื้องต้นนั่นเองเป็นการฝึกให้เกิดสติเมื่อมีสติแล้วเราเอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันจะแตกหักกันก็ตรงที่ว่าใครจเจริญสติในชีวิตประจำวันได้คนไหนจเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะยังห่างไกลเหลือเกินมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะมีสติขึ้นมาสติที่แท้จริง แต่ไม่ยากเลยที่คนที่มีสติที่แท้จริงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเนะี่ยเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังคลอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อไรใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไร ตัญหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราสังเกตดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยฮะความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเข้าใจคาว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นตัญหาสิ้นความทยานอยากนะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัญหาเรียกวิราคะเนชื่อของนิพพานทั้งสิ้นนิพพานมีจริงๆ ไม่ใช่สภาวะในอุดมคตนะิที่สร้างขึ้นแบบยูโทเปียเลื่อนลอยนะเป็นสภาวะอุดมคติพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นบรมสุขถ้าใครสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากนิพพานเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือในตัวในตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพาน แต่ท่านสอนวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราเข้าถึงนิพพานได้พวกเราอย่าไปวาดภาพนิพพานไม่ห่างไกล น, นะบางคนวาดภาพนิพพานไม่ไกลเป็นสภาวะยูโทเปียซึ่งอีกผี้พบกีชาต์ก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นแค่อูบายหลอกของพระพุทธเจ้าหลอกให้คนทําความดีท่านจะไปหลอกทําไมให้คนทําความดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเลยดีที่อีกไม่ใช่แค่หลอกให้คนทําความดีทําความดีนะก็ยังได้รับผลดีแล้วก็ยังอย่าทุกข์แบบคนดีอีก นี่ท่านสอนวิธีที่เราจะไปถึงนิพพานได้การที่เราจะไปถึงนิพพานได้นะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเพราะฉะั้นการจะไปถึงนิพพานได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเรียนรู้ลงไปว่าจริงๆนั้นกายนี้ใจนี้ของตัวเองจริงๆเป็นยังไงถ้าเรียนลงมานะจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เนะี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลก ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจหรือพ้นจากกายจากใจแล้วจะเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาหรือบางคนว่าเป็นวิทยาศาสตร์หลวงพ่อไม่เห็นว่าศาสนาพุทธต้องเป็นอะไรเลยในความเป็นจริงศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองถ้าใครเข้าใจาศาสตร์อันนี้ได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้ว สามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องหนีโลกไปอยู่ในป่าด้วยอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นเลยอย่างพวกเรายังทํามาหากินอยู่เราก็มีความสุขของเราได้ในเพศของคารวาสนะแต่ความสุขมันก็เป็นขั้นขั้นไปถ้าคนไหนพร้อมมากกว่านั้นนะออกไปเป็นนักบวชเป็นอะไรพรานาสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปตามโอกาสซึ่งแต่ละคนมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมนะนั้เป็นของพระนะ ธรรมเป็นของกลางๆเป็นของทุกคนนั่นแหละถ้าเรารู้กายรู้ใจเป็นมีสติรู้กายรู้ใจเป็นวันหนึ่งจิตปล่อยวางความยึดถือในใกายในใจเราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขที่พูดยังไงก็พูดไม่ถึงนะพูดงไงก็นึกไม่ออกเมื่อสัมผัสเข้าไปนี่นะน้ําตาร่วงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือพวกเราก็เคยสัมผัสกับความสุขอย่างโลกโลกนะความสุขอย่างโลกโลกเป็นความสุขโว่วครั้งโ่วคราวแวบเดียวก็หายไปแล้ว อย่างเราจะจีบสาวสักคนนะไหมจีบได้มามีความสุขถามว่ามีความสุขอยู่นานไหมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เบื่อละอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกละความสุขในโลกนะมันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมันไม่เหมือนความสุขในการปฏิบัตินะถ้าเรามีการปฏิบัติทำนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปจิตใจเราจะมีความสุขเป็นลําดับลําดับขึ้นไปประนีตเป็นลําดับขึ้นไปจิตเราห่างไกลจากความทุกข์เป็นลําดับลําดับไป ตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะคนที่เรียนจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมามีสติที่แท้ทจริงขึ้นมาตอนนี้มียอดมากเลยนับจํานวนไม่ถูกแนละ้วว่ามีกี่พันหรือเป็นหมื่นพวกนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเวลามารายงานมาส่งกันบ้านเนี่ยจะบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเคยมีความทุกข์มากมากนะก็เหลือทุกข์น้อยๆยเคยทุกข์นานนานก็ทุกข์สั้นๆันะ้มีความสุขแต่เติมความสุขต้องอิงอาศัยคนอื่นต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลา พอมาเจาเริญสติเป็นนะมีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีความสุขโดยไม่อิงอาศัยใครความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นมันจะทำให้เราเป็นธาตเราจะไม่เป็นอิสระหรอกอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เราต้องเอาใจเขาเดี๋ยวเขาไม่อยู่กับเราเรามีความสุขถ้าเราได้ขับรถคันนี้นี่สวยงามราคาแพงถ้ารถคันนี้พังไปเราไม่มีความสุขเราก็ต้องเป็นลูกน้องมันนะ พามันไปอาบน้ําพามันไปกินข้าวหรือเติมน้ํามันอะไรต่อไรรับใช้เงินสารพัดเลยความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ไม่อิสะระเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยผู้อื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขในธรรมะนี่เป็นความสุขที่อัศจรรย์นนะมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตติคือจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่ เพรฉะนั้นความสุขมีเป็นขั้นขั้นขั้นไปเป็นลําดับลําดับไปงั้นพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธนะเรามีบุญเรามีวาสนาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าบอกวิธีให้เราถ้าเราเดินตามวิธีการที่พระพทุทธเจ้าบอกเราจะสัมผัสความสุขเป็นลําดับลําดับไปไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องทุกข์ยากไปก่อนแล้วอีกหลายๆปีบรรลุมรรคผลนิพพานถึงจะมีความสุขไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติไปก่อนชาตินี้แล้วชาติต่ตอต่อไปถึงจะมีความสุขนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเราจเจริญสติเป็นเนี่ยความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเราเลยความทุกข์กระเด็นออกไปจากหัวใจเราต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกวิธีการไว้ให้เรานะวันหนึ่งถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชีวิตจะมีแต่ความโปร่งโล่งเบามีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ยังมีความสุขเราอยู่ได้อย่างนั้นนะเพราะความสุขเราไม่อิงอาศัยอะไร เพงแต่มีสติขึ้นมานี่ทํำยังไงวิธีที่จะเดินตามเส้นทางสายนี้วิธีที่จะเดินตามทางสายนี้นะั่นเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือจะพูดให้ตรงที่สุดกนะ็คือการทําวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยทําไปเพื่อให้จิตใจสงบให้มีความสุขให้จิตใจดี ส่วนวิปัสนากรรมฐานเะนี่ยไม่ได้มุ่งเอาความสุขความสงบความดีวิปัสนากรรมฐานเะน่ยมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจให้เราเรียนรู้จนเห็นความจริงของกายของใจว่ากายในี้ใจนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะวางความยึดถือในใกายในใจแล้วมันจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อไรพ้นกายพ้นใจนะเมื่อไรจะสัมผัสกับ น, นิพพาน ฉันอยากรู้จักนิพพานต้องรู้กายรู้ใจฉันแจมแจ้งแล้วจะเห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองแล้วเราต้องคอรู้สึกนะมันมันมีสองอย่างส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดที่หลวงพ่อพบมาส่วนใหญ่ติดสมถะคนในโลกนี้ก็เลยมีสองส่วนส่วนหนึ่งพวกไม่ปฏิบัติเลยพวกหลงโลกไปเลยอีกส่วนหนึ่งพวกสนใจการปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะพวกเราที่สนใจการปฏิบัติเราลองตรวจสอบตัวเองดู ถ้าเราฝึกกรรมาฐานมาตั้งหลายปีนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวก็สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านนะไปภาวนาใหม่ก็สงบแล้วก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกตลอดชีวิตหลายปีผ่านมาเนี่ยมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอันนั้นไม่ได้เดินมีศา ส, สนาแน่เลยเพราะฉะนั้นใจมุ่งแต่หาความสุขความสงบอย่างเดียวี่ความสุขความสงบจากการทําสมถนามันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีหรอกความสุขที่เที่ยง ความสุขในโลกไม่มีเที่ยงหรอกไงก็ต้องแ ป, ปรปวดไปนี่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปนี่นสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีนะีวิปัสสนาเนี่ยมุม่งให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจเพราะงั้นวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันวิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วเราจะต้องเรียนต้องแยกแยะให้ออกนะว่าการดําเนินจิตแบบไหนเป็นสมถะกรรมฐานการดําเนินจิตแบบไหนเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าแยกไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปทําสมถะแล้วคิดว่าทํำมิปั ส, สนาอยู่สมถะกรรมฐานเนี่ยหลักการของมันไม่ยากเท่าไหร่นะหลักการของสมถะกรรมฐานเนี่ยคือให้เราสังเกตความจริงของจิตใจเราเองก่อนจิตใจของเราเนี่ยร่อนเร่ซัสดสายตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปทางโน้นเดี๋ยวหลงไปทาง น, น, งางนี้เดี๋ยวจับอารมณนน์นนเดี๋ยวจับอารมณ์นี้นะฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตใจนะั่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอุตลุดตลอดเวลาเลย คนที่ภาวนาไม่เป็นก็พยายามบังคับใจนะให้สงบให้ดีบังคับยังไงมันก็ไม่สงบนะมีแต่เครียดงั้นพวกภาวนาแล้วเครียดเนี่ยสแสดงว่าไปทําสมาธแบบผิดผิดวิธีด้วยถ้าทําถูกวิธีจะไม่เครียดจิตถ้าเรารู้จักลักษณะของจิตเนยะจิตมันคล้ายๆเด็กเหมือนเด็กสนสนคนหนึ่งจิตนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจิตมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราทําสมถะผิดนะก็คล้ายๆเราเอาไม่เรียวไปไปยืนเฝ้าเด็กไว้บังคับไม่ให้มันกระดุกกระดิกเด็กมันจะเครียดจิตนี้เหมือนกันถ้าเราไปบังคับให้มันนิ่งนะมันจะเครียดเราต้องใช้อุบายวิธีหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อลอ่อหาอารมณ์ที่จิตชอบใจมาเป็นเหยื่อลอ่อคล้ายๆเรารู้ว่าเด็กคนนี้ชอบกินไอติมเราก็บอกเด็กบอกอย่าซนนอกบ้านเลยมาเข้ามาบ้านนะกินไอติมให้สบายใจนะเด็กมันจะสมัครใจเข้ามาในบ้าน เด็กก็มีความสุขด้วยใช่ไหมแล้วก็เด็กก็ไม่ร่อนเร่ออกไปนอกบ้านด้วยหลักของการทำสมธาธิกรรมฐานก็แบบเดียวกันเราต้องเลือกว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนรู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปยังมีความสุขไม่ต้องไปคิดว่าทํายังไงจิตจะสงบถ้ารู้ลมแล้วสบายใจนะรู้ลมไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตสบายใจก็ดูท้องพองยุบ บางคนเดินจงกรมบางคนภาวานาพุโทโธบางคนขยับมือทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนทําแล้วจิตใจสบายมีความสุขก็ทําอย่างนั้นความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอจิตมันมีความสุขนะมันจะไม่หนีไปสัดสายไปที่อื่นมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้งั้นบางคนภาวานานะทําไงก็ไม่สงบทํำยังไงก็ไม่สงบอันนั้นเพราะพยายามไปบังคับจิตให้สงบมันไม่ยอมสงบหรอก ต้องหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอย่างหลวงพ่อตอนเด็กหลวงพ่อชอบหายใจไปเรียนหายใจออกหายใจเข้ามาจากท่านพ่อหลีวัดโสกรามตอติปีศูนย์สองส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่เกิดหายใจแล้วมีความสุขถ้ามีความสุขจิตสงบคล้ายๆเด็กได้กินไอติมเด็กก็ไม่ไปสนนี่เคล็ดลับของสมาธินะเคล็ดลับของสมถะคือเลือกอารมณ์ที่เรามีความสุขแล้วจิตจะสงบเอง เมื่จิตสงบนะโดยไม่ได้บังคับเนี่ยจิตจะไม่เครียดถ้าคนไหนภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าสมถะก็ไม่มีมิปั ส, สนาก็าไม่มีถ้าภาวนาแล้วจิตใจมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้สมถะโดยไม่ได้บังคับนี่พอจะมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ถ้าลำพังการปฏิบัติธรำนะมุ่งเอาความสุขความสงบเนี่ยยังตื้นเกินไปศา ส, สนาพุทธมีสิ่งซึ่งประณีตลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะ ลำพังแค่ภาวนาเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วคนอื่นไม่มีคือวิปัสสนากรรมฐานมิตรศาสนากรรมฐานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะเรียนไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้ว่ากายนี้มันไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราะถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตจะเบื่อหน่ายะ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็มีวาลีบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนล้วทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้ไม่มีแล้วทําแล้วทําเลยนะไม่เหมือนการทํางานในโลก ต้องทำไปเรื่อยๆทำมาได้เงินแล้วใช้ไปเดี๋ยวก็ไปทํางานอีกหาเงินมาก็ใช้ไปอีกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สุดของมันเรียกว่าจบกิจกิจ ข, ของเราก็คือจบกิตของวิปัสสนากรรมฐานพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วพ้นเลยนะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกแล้ะไม่เหมือนงานทางโลกนะทุกข์แล้วทุกข์อีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองนี่จุดใหญ่นะหลักของมันก็บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เราเบื่อหน่ า, นายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วงั้นจุดตั้งต้นก็คืออยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงอะไรคือความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ตื้นอย่างที่หลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจว่าแค่รู้กายรู้ใจก็เป็นการทํำวิปัสสนากรรมฐานละ รู้กายรู้ใจเฉยๆยังเป็นสมถะนะต้องเห็นความเป็นจริงของกายของใจจึงจะเป็นวิปัสนางั้นบางคนนะไปภาวนาหายใจออกหายใจเข้าไม่เผลอเลยหายใจจิตจับอยู่กับลมหายใจตลอดแล้วบอกว่ารู้กายอยู่รู้กายแล้วเป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกต้องเห็นไจลรลักงั้นลําพังหายใจไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอดูท้องไปเรื่อยๆแล้วไม่เผลอเดินจงกรมแล้วเท้าขยับยังไงก็รู้ตลอดไม่เผลอยังไม่ใช่วิปัสนา นิพพานไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจต้องรู้ความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ตัวนี้เข้าใจยากมากเลยถ้าคนไหนที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเั่นเริ่มได้ธรรมะการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจน่นมันมีสามสเต็ปแล้วมีปัญญาสามระดับปัญญาเบื้องต้นจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเรา พระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราในทางศาสนาเรานี่สอนนะบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยดูขนาดพระโสดานะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยท่านมีศีลบริบูรณ์แล้วท่านมีสติ กิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตไม่ท่านรู้ทันปัาบกิเลสมันครอบงําจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเลยสมาธิเล็กน้อยเพราะจิตของพระโสดาบันนะั้นก็สายไปสายมาไม่ต่างกับจิตของพวกเราพวกเรารู้สึกไหมจิตของพวกเราสายตลอดเวลาดูออกไหมอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยบางทีจิตก็วิ่งมาที่หลวงพ่อนะบางทีจิตก็วิ่งมาตั้งใจฟังไม่ได้ดูหน้าหลวงพ่อแล้วแต่มาตั้งใจฟังฟังอยู่สองสามคำนะจิตก็จะสวิชตัวเองไปไปคิดฟังไปคิดไป แม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถ้าเรารู้ทันแนละ้วเราจะเห็นใ น, นจิตเกิดดับเห๋ยวจิตเกิดที่ตาหรือจิตเกิดที่หูที่จิตเกิดที่ใจจิตไปคิดเปลี่ยนเปลี่ยนปับๆๆป๊บปั๊ไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะค่อยๆฝึกนะไม่ยากไม่ยากมันง่ายง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนะี่ย ทำกรรมฐ า, านอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็นใจสะ ก, ก่อนถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้เราะนั้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้สั ก, ก่อ น, น, นการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจจึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดตั้งต้นเลย จิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งนั่งอยู่แล้วขันเราว่าเกาใช่ไหมขณะที่เราเกานะสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเกาอยู่ใจกำลังสบายเราเกาอัตโนมัติในขณะนั้นลืมกายลืมใจทําเมไรเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสติสติ ที่หลพ่อพูดหมายถึงสติปัฏฐานในสติที่รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเราลองมาวัดใจของเราเองดูว่าเราลืมกายลืมใจบ่อยแค่ไหนสังเกตไหมเวลาที่เราไปคิดรู้สึกไหมใจมันจะเหมือนไหลไปนะความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยจะหายไปมีร่างกายร่างกายก็หายไปมีจิตใจจิตใจก็หายไปไม่รู้รู้แต่เรื่องที่คิด นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจิตใจเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นเล่นไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบคนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นเล่นนะไม่ใช่สวดให้สงบคนไหนชอบดูท้องของยุบก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบยิรยา บ, บทสี่ก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทาจังหวะก็ทาไป แต่ทาไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองยกตัวอย่างที่เราหายใจหายใจไปหายใจเล่นๆจิตเราวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันจิตเราวิ่งไปคิดเราก็รู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจไปหรือสวดมนต์ก็ได้นะอรหังซัมมาอะไรอย่างเงี้พอสวดมนต์ไปพอใจไหลไปคิดแวบหบนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปละ สวดมนต์ไปแล้วจิตสงบหรือว่าสงบสวดไปแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุงา้งซ่านสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้มีสติดูท้องผองยุบไปได้นะดูท้องผองยุบไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปชิดก็รู้ทันจิตไปทําอะไรก็รู้ทันนี่เราเข้ามาถึงการฝึกหัดแล้วนะงั้นเบื้องต้นทุกคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ทําแล้วสบายใจ รู้อารมณ์ น, นั้นไปเช่นรู้พุโทโธก็ได้นะสัมมาระหังก็ได้หายใจก็ได้รู้ท้องฟองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขยับมือทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตนิ่งเราทํากรรมฐานไปแล้วเราค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตไปเรื่อยๆเช่นเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วพุโทโธพุโทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธพุโทโธจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่าน หายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันะทําอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทํากรรมฐานมาสักระนิดหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทํากรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตสมมุติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจนะ เราพุโทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตเราวิ่งมาที่นี่วิ่งมาที่พุโทโธวิ่งมาที่ลมหายใจวิ่งมาที่ท้องรู้ทันไหมจิตวิ่งมาจิตวิ่งไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตมันสายไปตลอดดูยากเราะนั้นเบื้องต้นหาอรมกรรมฐานมาชักนอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ทําอะไรไม่เป็นเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้หรือฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ฟังไปแล้วใจลอยไปรู้ฟังไปแล้วขํำขึ้นมารู้ฟังไปแล้วงงขึ้นมารู้ หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนี่แหละจะทําให้เกิดสติเพราะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นแล้วจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเราหัดดูสภาวะไปนะทํากรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อย เช็นพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดก็รู้เนียหรือสวดมนต์อารังสัมมาจิตไหลไปคิดเราก็รู้ซําพุโทโธภัควาเอาหนีไปอีกแล้วเราก็ค่อยรู้ฝึกแบบนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวไปนะจิตหลงไปคิดแว บ, บเดียวสติจะเกิดเองเลยสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดเลยสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตจําสภาวะได้แม่นนะในพระพิธรรมถึงบอกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ เราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจนมาหนึงสติเกิดพอสติที่แท้จริงเกิดนะค่อยสังเกตไปว่ามันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วว่ากรรมฐานของเราจะทําสายไหนสายกายสายจิตอะไรนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นอาจจะดูมาจากกายบางคนดูจากเวทนาบางคนดูจากจิตนั่นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นนะคือทํากรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตพอรู้ทานจิตมากๆเข้าสติเกิดเองแล้วเนี่ย ถัดจากนั้นไม่มีสายไหนสายไหนละมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินะขณะนี้มีสติบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้เวทนาบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้าใครยังเลือกว่าจะรู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวมันจะตกไปสู่สมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นสติที่แท้จริงเกิดเมื่อไหร่นะเลือกไม่ได้แล้วบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิต อย่างตอนหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะมานั่งเขาให้นั่งรอเวลาก็มีโมยมยคนหนึ่งเสื้อเขียวๆนี่แหละทีมมสทก็ให้ส่งกันบ้านเ้าส่งกันบ้านบอกว่าอาบน้าอยู่หรือแปลงอะไรหวีผมอยู่อะไรเนี้ยรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาแม้สติมันระลึกขึ้นมาเองนะโดยที่ไม่ได้เจตานาแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเรา สติะระลึกรู้กายเมื่อไหร่ก็เห็นกายไม่ใช no ่เราสติะระลึกรู้เวทนาเห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนัก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเนี่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นนะมันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอน มันจรู้สึกเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ่ยนี่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดแล้วนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราสุขเราทุกข์อีกต่อไปกุศลอะกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราเห็นเลยจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเพรั้นเบื้องต้นเราช่วยกันนะแต่ละคน หาโรมกรรมาฐานมาสักอันหนึ่งที่เราถนัดคนไหนถนัดเตือนจงกลอมก็เอาคนไหนถนัดพุตโธก็เอาอะไรก็ได้นะเอาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตความเคลื่อนไหวของจิตสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองพอสติเกิดนะมันจะรู้กายมันจะรู้ใจบางทีก็รู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีก็รู้ใจของเราแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกจะเห็นร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา เห็นเวทนาที่กาลังปรากฏคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันนะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนนี่ปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นกลางเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเน่ย ผู้ที่เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆก็วิธีจะมาเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆก็ใช้วิธีเจริญสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวกันนั่นเองกับที่ฝึกมาในเบื้องต้นนั่นเองรู้อย่างเดียวกันมีสติแล้วรู้กายบ้างรู้ใจบ้างแล้วมันรู้ของมันเองไปเรื่อยถึงวันที่เขาพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินความรู้เลยมันจะรู้เลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ เป็นก้อนทุกพวกเรามีใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกบ้างมีไหมมีช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครเห็นกายเป็นทุกเอานะพวกที่ยกเอย่าเพิ่งเอาลงนะหลวงพ่อขอถามหน่อยพวกที่ยกอะเห็นเป็นทุกตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นทุกบ้างสุขบ้างนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเป็นทุกตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างลองไม่เอามือลงสิเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูละเอามือลงได้นะ พวกเราอย่าไปนึกนะว่าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์พวกเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์คนที่เห็นกายเป็นทุกข์ได้จริงๆต้องเป็นพระอนาคามีคนที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ได้จริงๆเป็นพระอรหันต์ส่วนพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเรามีสติเร่ยไปเราจะเห็นว่้กายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย เห็นเองจะเห็นเขาเองพอเห็นกายเป็นทุกข์นะสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเราจะหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตาไม่ยึดก็จะไม่ยึดรูปถ้าหูเราเรายังไม่ยึดเลยมันก็จะไม่ยึดเสียงถ้าจมูกเรายังไม่ยึดนะมัก็ไม่ยึดกลิ่นถ้าลิ้นเรายังไม่ยึดเลยมันจะไม่ยึดรส ที่มันยึดในตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มากระทบกายที่เรียกว่าปวดทัพทะก็จะมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพทะแต่ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานะเป็นปัญญาขั้นกลางเห็นเลยกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพทะไปด้วย กามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระจะไม่เกิดขึ้นอีกท่านถึงสอนว่าพระอนาคามีละกรรมและปฏิฆะได้ละได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายนี่กายนี้เป็นตัวทุกข์ถัดจากนั้นการภาวนาเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นกลางนะเรามาสอนในมหาวิไลเราต้องสอนเรื่องที่เป็นปัญญาหน่อยสอนเรื่องอื่นเูาไม่สงเกียรติปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาที่เห็นว่า จิตนี้เป็นตัวทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไห้แน่ายังมีอีกกายเป็นทุกข์ยังไม่เห็นเลยเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะแต่เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเรียกว่าเห็นไม่ตรงความเป็นจริงคนใดเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นขันห้าเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์อย่างแจ้งชนะตัญหาได้เด็ดขาดคือตัญหา สมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกสมุทัยก็คือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นั้นถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆก็ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้มันจะหมดความยินดีหมดความยินร้ายเลยนะหมดความอยากในกายในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ละสมุทัยนะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคดังนั้นทุกสมุทัยนิโรธมักจะเกิดในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่พวกเราหัดภาวนานะต่อไปทีแรกเราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเลยเห็นเลยกายมันทํางานกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรา เห็นจิตมันทํางานไปนะจิตมันสุกจิตมันทุกขจิตมันดีจิตมันร้ายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยฝึกไปฝึกไปมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ได้พระโสดาบันนี่มีปัญญาขั้นต้นถ้าจากนั้นรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้นๆ้นนะอดความยึดถือในกาย หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพภภไปด้วยความยินดียินร้ายในกายก็จะไม่มีตามและปฏิฆาก็ขาดไปนี่ปัญญาขั้นกลางต่อไปในการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวที่มีความสุขมากเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมากจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีความทุกข์มากนี่เห็นจิตเป็นสองส่วนอยู่นั้นงานยังไม่เสร็จ ภาวนาต่อไปอีกนะวันหนึ่งเห็นแจ้งเลยจิตนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นเรื่องอัศจรรย์นะจิตสลัดคืนจิตให้โลกฟังไปก่อนนะภาวนาไปเดี๋ยววันหนึ่งเห็นเองอ่จิตมันสลัดคืนจิตให้โลกได้เมื่อมันคืนจิตให้โลกไปแล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกละสิ่งที่มันยึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็คือจิตนี่เองให้ฝึกเป็นลำดับลําดับไปนะการที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเป็นปัญญาขั้นสูงงั้นเบื้องต้น ฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นวนะ่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนเบื้องปลายเราจะฝึกไปจนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้น้วนการฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอกวิธีหัดนะไม่ยากอะไรหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่แตเป็นฆราวาสตอนเด็กๆเด็ดขวบเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านเป็นพระดีพระวิเศษองค์หนึ่งนะแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเ น, นหลวงพ่อเจ็ดขวบเอง เงือนท่านสอนให้ได้แต่เบื้องต้นสอนสมถะนะหายใจเข้าออพูดธหายใจออกโทอะไรเงี้ยมาฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอยู่สองสปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนต่อขึ้นมิปั ส, สนาไม่เป็นหรอกทําแต่ความสงบงั้นหลวงพ่อเลยทําสมาธิทําอะไรนี่นะทำมาแต่เด็กทําแต่ความสงบอย่างเดียวเลยไม่เห็นมันจะมีปัญญาพ้นทุกที่ตรงไหนได้เลยวันไหนทําไปแล้วจิตสงบเราก็ว่าวันนี้พ้นทุก สงบไปไม่กี่วันมันก็กลับมาฟุ้งซ่านนี่เขาก็ทุกข์อีกแล้วเข้ามาทำปามสงบใหม่พอสงบโอ้วันนี้พ้นทุกข์อีกแล้วงั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะวนเวียนอยู่ยงั้นเองขึ้นไม่ปรัสนาไม่เป็นจนมาปีสองห้านะสองพั25 25. นห้ารอยี่สิบห้านได้ไปกราบหลวงปูดงป่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองก่อนหน้านี้เคยดูกายะไม่ไม่ถนัดหรอกนะแต่ว่าเคยดูเพราะว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ดูกายแต่ใจมันไม่เอามันรู้สึกตืนไป ใ่มันไม่ชอบได้ยินหลวงปูดูลบอกให้ดูจิตตัวเองก็มาหัดดูตอนนั้นรับราชการอยู่สํานักนายกอยู่สํานักนายก ใ, น ใ, น ใ, นใกล้ๆกับอาจารย์มานิสนี่แหละตึกใกล้ๆกันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนหัดภาวนาตื่นนอนมาแค่ตื่นนอนนะแล้วนึกว่าวันนี้วันอะไรนะใจเรายังเปลี่นเลยนี่การภาวนานไม่มีอะไรหรอกฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเราเนี่ไม่ใช่ต้องนั่งกลับหูหลับตาไปฝึกในป่าในเขาอะไรไม่ต้องหรอก ไปภาวนามันคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอยู่ที่ไหนมันก็มีกายมีใจใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีกายมีใจต้องไปอยู่ที่วัดถึงยังมีกายมีใจไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็มีกายมีใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่ตื่นนอนมาหลวงพ่อรับราชการนะตื่นมานึกได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นเรารู้ถังใจแห้งแรงเราก็รู้ใจสดชื่นเราก็รู้ นึกได้ว่าวันศุกร์นะโอ้ฟรีเฟรมมากเลยนึกได้ไปอีกนะอู้ลองวิกเอนด้วยสดชื่นมากกว่าปกติอีกใครเป็นบ้างมีไหมเป็นทั้งนั้นแหละยิ่งแต่ไม่ยอมยกมือทําให้ดูว่าขยันทํางานนะพอนึกได้ว่าวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นดูไปดูมาเฮ้ยจําวันผิดวันนี้วันพุธ <c oughs> ความสุขพลิกเลยพลิกเลยใจก็ใจก็จเป็นทุกขึ้นมาเห็นเลยใจเป็นทุกขขึ้นมา เน่ยคอยดูยนี่เวลากินข้าวเราก็ภาวนาได้นะเรากินข้าวหรือว่าเราเดินไปลงอาหารโอ้วันนี้มีแต่ของโปรดจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมวันนี้เจอแต่ของที่เราไม่ชอบแม่ค้าพวกนี้ขาดอินโนเวชันนะไม่ได้เรื่องเลยนะทําอาหารเหมือนกันทุกวันเลยเจอแต่ของที่เราไม่ชอบพอเห็นแล้วใจเราก็ไม่ชอบนะ่ะเนี่ยรู้ทันที่ใจเรานะไม่ใช่รู้ว่าวันนี้มีอาหารอะไรนะไม่ใช่วันนี้รู้มีแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีอะไรย่างเงี้ย ให้รู้ความรู้สึกของเราเช่นเห็นอย่างนี้เห็นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกนี้ได้กลิ่นอาหารอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนี้รู้ที่ใจรู้ความรู้สึกที่ใจเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตจริงๆนะ่ะไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนเลยนะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็ภาวนามันที่นั่นแหลนะงั้นเราเดินไปเราเห็นอาหารานี้ใจเรารู้สึกไงเรารู้ทันนะกินเข้าไปอุ้ยนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยตักใส่ปากไม่อร่อยเลยนึกว่าจะอร่อยใครเคยเป็นไหม เห็นของโปรดตักใส่ปากเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยรู้สึกไงปลื้มใจได้กินของไม่อร่อยนะไม่เป็นใช่ไหมรู้สึกอ่ะแย่างเลยแม่ครัวคนนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยใจไม่ชอบรู้ทันว่าใจไม่ชอบนะงั้วเราคอยรู้ทันใจของเราออกจากที่ทํางานเราไปหรือจะมาที่ทํางานตอนเช้าเช้ารถติดเยอะรถติดเยอะแยะวันนี้ออกจากบ้านขับรถออกมาเจอแต่ไฟแดงรู้สึกยังไงเจอไฟแดงรู้สึกไงเซงใช่ไหม เดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็แดงมีแต่ไฟแดงตลอดวันเลยนย่างเี้เบื่อมากเลยถ้าวันไหนเจอแต่ไฟเขียวสดชื่นเห็นไฟเขียวดีใจเห็นไฟเขียวดีใจวิ่งวิ่งวิ่งแหมไฟยังเขียวอยู่แดงปุ๊บขึ้นมาไฟเหลืองก็ต้องรีบเร่งต่อไปใช่ไหมเกิดแดงขึ้นมาแล้วตำรวจมันยืนอยู่เราก็ต้องเบรกหันไปดูทีเฮ้ยตำรวจตัวปลอมเดี๋ยวนี้กงคนเทพมหลอกลวงนะไม่มีตำรวจตัวปลอมเยอะเลยตำรวจตัวปลอมกับตำรวจตัวจริงต่างกันตรงไหนดูออกไหม ดูที่พุงสิตํนะารวจตัวจริงนะจะอ้วนกว่าตำรวจตัวปลอมถ้าติดไฟแดงเป็นคันแรกรู้สึกยังไงโ ห, หมโหเลยบางทีใช่ไหมถ้าติดเป็นคันที่ยี่สิบรู้สึกไงสบายกว่ารู้สึกไหมถ้าติดเป็นคันที่แปดสิบคันที่ร้อยี่สิบเฉยเฉยไฟเขียวก็ยังเฉยอยู่รู้ว่าไม่รอดหรอกเนี่ยเราคอยรู้ความรู้สึกของเราเนะนี่ยแหละคือการปฏิบัติทําในชีวิตจริงๆ อย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่มีผลอะไรจะแตกหักกันนะจะบระรลุมรรคผลนิพพานได้หรือเปล่านี่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆของเราได้หรือเปล่านคนคนหนึ่งอ่ะจะไปนั่งสมาธิจะไปเดินจงกรมได้วันละกี่ชั่วโมงชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่กับโลกธรรมดานี้ต่างหางงั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติได้เฉพาะตอนเข้าวัดตอนเข้าคอร์สตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติมันมีนิดเดียว ปีนึงจะมีสักกี่ครั้งวันหนึ่งจะมีสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันนี้เราโยนทิ้งซะเปล่าๆหลวงพ่อไม่โยนทิ้งเลยนะเนีย่ยแต่ก่อนนี้รับราชการใหม่ๆยังไม่มีรถขับหรอกขึ้นรถเมล์พอตอนเช้าออกมาที่ป้ายรถเมล์ปุ๊บเห็นผู้ร่วมชะตากรรมพ่อๆคนในห้องนี้สดชื่นไหมเพื่อนเยอะไม่สดชื่นเลยใช่ไหมเซิงออย่างนี้จะไปได้ไงเซงรู้ว่าเซิง เป็นรถเมยม์วิ่งมาละปูเลงปูเลงอุ้ยคันนี้ว่างดีใจมันไม่จอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธความจริงเนี่ที่มันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดถ้ามันชอบจอดมันคงไม่ว่างหรอกมันก็เรื่องง่ายๆแค่นั้นเองเนี่ยพอรถเมยว์ว่างๆมาดีใจพอไม่ยอมจอดเปลี่ยนเป็นโมโหโมโหรั่วโมโหเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปการหาดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะที่ง่ายๆเหมาะสําหรับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี่แหละคนอยู่ในเมือง ไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเดินจงกรมอะไรมากมายก็ G ให้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปล deep, แตงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกจะเปลี่ยนตลอดคอยมีสติรู้มันไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีนะเราดูความเปลี่ยนแปลงท่องไว้นะว่าต่อไปนี้เราจะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก คอยรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยจิต an, ใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปฝึกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ถ้าพูดภาษาบาลีก็ได้นะบอกยางกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู้ใ ด, ดเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั่นเองทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวร น, นะไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรแล้วเราคอยฝึกนะฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนี้แหละใจมันโลภขึ้นมาก็คอยรู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็คอยรู้ไม่ห้ามมันหรอกนะ ใจมันมโมโหขึ้นมาก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านใจมันหงุดหงิดดีใจเสียใจนะเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิต ง, งา่ายจตายไปใครรู้จักว่าโกรธเป็นไงมีใครไม่รู้จักความโกรธไหมในห้องนี้มีใครไม่เคยโกรธไหมมีไหมมีใครไม่เคยโลภไหมเราก็รู้ใช่ไหมโลภเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็รู้ใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเซงเป็นไหม หดหูเป็นไหมอิดช้าเป็นไหมกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมเราเป็นตลอดเรารู้จักตลอดเลยหน้าที่ของเราก็คือความรู้สึกขนาเนี้ยอะไรกําลังเกิดอยู่มันกําลังเซงหลวงพ่อประโมทพูดไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเซ็งเซงรู้ว่าเซงแต่หายากนะคนที่ฟังหลวงพ่อเราเซ็งหายากหัวเราะรู้สึกไหมเมื่อกี้หัวเราะและใจมันปลุงๆขึ้นมารู้สึกไหมแล้วก็ลืมตัวเอง เราคอรู้สึกตัวนะครรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็หัดมาของหลวงพ่ออย่างนี้เองหลวงปูดด่ดูลบอกให้ดูจิตนะแล้วก็ใครดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันเรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญามันพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาเวลาที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยจิตมันจะไม่ย่ออยู่กับโลกปัจจุบันอย่างนี้จิตของเรานี่ร่อนเร่อ ย, อยู่ทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจร่อนเร่ไปหาอารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาสายตลอดนะจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกา ม, มาวัจจะระพุมจิตที่สายไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสพลัทธะทั้งหลายเวลาที่เกิดมรรคผลเนี่ยจะไม่ไปเกิดในกรรมมามวัจจะระพุมจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยหัดเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าของมันเองอะรวมลงมาแล้วมันจะตัดสินความรู้กันในสมาธินี่เองเสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการออกมานะเระจะรู้สึกเลยว่าตัวเราไม่มี หลังจากนั้นจะไม่รู้สึกเป็นตัวเราอีกต่อไปล้วค่อยฝึกนะเบื้องต้นเอาเท่านี้ก็พอละชาวพุทธทุกคนนะต้องตั้งเป้าไว้นะว่าพวกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้เราอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดเอานะว่ามันห่างไกลเกินไปหน้าที่ของเราทำเหตุให้พอสมควรแล้วผลมันจะเกิดเองเหตุที่จะทำให้เราได้เป็นพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนะก็คือคอยมีสติ คอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆไปโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะเห็นเองเลยว่าตัวเราไม่มีลองดูนะลองดูไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกอ่ะหลวงพ่อเทศมาห้าสิบสองนาทีแล้วต่อไปให้ถามบ้างส ร, ส, รสรุปสรุปสรุปซะหน่อยเดี๋ยวจะฟังแล้วงงอัแรกเลยอย่าใจลอยอย่าใจลอยไปนะเมื่อไหร่ใจลอยลืมกายลืมใจตัวเอง อันที่สองอย่าไปนั่งปฏิบัติทําแบบเคร่งเครียดบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจให้แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็ลืมกายลืมใจในขณะเดียวกันอย่าไปนั่งจ้องอย่าไปนั่งเพง่งถ้าเพ่งเราเครียดเครียดเราใช้ไม่ได้แค่ไม่เผลอไปกับไม่เพง่งเอาไว้นะแคร่รู้สึกรู้สึกไปถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นเล่นไปแค่รู้สึกนะอย่าไปเพ่ง ไม่ต้องคิดไม่ต้องเพ่งแค่รู้สึกเอานะรู้สึกไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดถ้าเพ่งไว้ปัญญาไม่เกิดออกทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยฝึกไปนะฝึกไปอย่างพอฟังหลวงพ่อแล้วงงงงรู้ว่างงเห็นไหมง่ายขนาดนี้งงรู้ว่างงรู้ฐานตัวเองเรียบร้อยแล้วใช้ได้ละได้คะแนนนะนะใจลอยรู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยไม่มีใครห้ามได้หรอกใจลอยใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้จิตนเป็นอนัตตาดันะั้นใจลอยรู้ว่าใจลอย มีความสุขสังเกตไหมพวกเราฟังหลวงพ่อส่วนมากฟังไปแลจนค่่อยๆตืรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานก็รู้ว่ามีความสุขรู้สึกว่ามีความเบิกบานเกิดขึ้นค่อยรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองแค่กับความรู้สึกของตัวเองคอยรู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงฝึกเอาอย่างนี้นะมัยากหรอกจะยากอะไรนักหนามันหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคําแรกเลยนะไปหาท่านไปกราบท่านเมื่อวันที่6กกุมภาพันห้าร้อย ไปถึงก็ไปบอกท่านตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็ออกมานั่งที่ระเบียงนั่งเก้าอีโยกแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงหนะึ่แล้วโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปแล้วน้ำภาวนามไม่ไม่เป็นนะตอนนั้นทําแต่สมถะไม่เข้าใจหรอกหลวงปู่หลับไปแล้วแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราว่านี่ยคิดอย่างนี้นะ ท่านหลับตาไปนิ่งๆเกือบชั่วโมงท่านลืมตาขนะึ้นมาประโยคแรกที่ท่านสอนนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองนะทําตัวเป็นแค่นักอ่านนะไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่ต้องไปคอยแต่งให้จิตเป็นอย่างงอนแต่งเป็นจิตเป็นยี้ให้แค่อ่าน จิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันดีก็รู้จิตมันร้ายก็รู้อ่านมันไปเรื่อยทำตัวเป็นแค่นักอ่านไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่ใช่ผู้วิจารณ์ด้วยไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีละครด้วยจิตมันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้หรอกไม่ยากหรอกแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะจริงๆนะพระพุทธเจ้านะ่ะค้นคว้ามาจนกระทั่งง่ายละเหมาะสมกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง อพอสมควรเชิญได้ข่าวว่ามีเตรียมถามอยู่สิบห้าคนใครจะไปทำงานก็ยังทันนะยังไม่บ่ายโมงนำมันระรับค่ะผมา่าหลังจากฟังเราก็โทรศัพท์ก็เบาลงอะค่ะรูต้ตัวมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังสับสนระหว่างการนั่งลึกูกับความคิดบางครั้งก็ ไม่แน่ใจว่ามันคือความคิดหรือการระลึกรู้อืมให้รู้ลงปัจจุบันไปนะจิตมันสงสัยว่านี่คิดอยู่หรือรู้ให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่สภาวะแห่งความสงสัยนั้นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งถ้าเรารู้ว่าจิตกําลังสงสัยก็เรียกว่ารู้อยู่ถ้าหมดแต่คิดเอ๊ะรู้หรือไม่รู้นะเอ๊ะรู้หรือไม่รู้นะนี่หลงอยู่ในโลกของความคิดละถ้าเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจได้นะก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดถ้าเมื่อไหร่ ลืมกายลืมใจไปรู้เรื่องที่คิดอยู่ก็ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังขณะนี้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกออกไหม น, นละเราคอยรู้เอาน ะ, นนะแล้วก็สภาวะจิตปกติเนี่ยจะสึกว่าจะดังๆนิดนึงสภาวะจิตปกติเนี่ยจะเป็นคนซึมเศ้านิดนึอแล้วก็อมันไม่สามารถหุดมาจากภาวะซึมเศรนี้ได้อย่างจะขอให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะ อย่าเกลียดมันเราไปเกลียดความซึมเศร้าเราพระได้เจ้าไม่ได้สอนบอกพิสูจนทั้งหลายห้ามซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นโทสะชนิดหนึ่งท่านสอนบอกพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเพราะฉะนั้นจิตมันซึมเศร้าขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันซึมเศร้าจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้รู้ลงไปเรื่อยถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางมันจะหลุดออกมาของคุณยังไม่มากนะบางคนเป็นมากขนาดต้องหาจิตแพทย์เลยแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาหายเยอะเลย ตอนหลังๆเนี่ยจิตแพทย์ให้คนไข้กินยามาหลายรอบนะทำอย่างนี้ไม่หายนะตัดสินใจแลว้วพักซีดีหลวงพ่อประโมทเอาไปฟังไปฟังฟังวใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเป็นโรคจิตที่เกิดจากความเครียดอนะไรหายแต่ถ้าเกิดจากสมองเกิดจากระบบประสาทอะไรนะี่ไม่หายนะคนละเรื่องกันถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจนะี่หายได้เพราะว่าจิตใจที่รู้สึกตัวนี่ไม่เครียดทาไมเรา เห็นจิตใจที่ซึมเศร้าแล้วไม่หายเพราะใจเราไม่เป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางจะหายทันทีเลยเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นกลางนะั้นมีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่ละไปดูเอานะใจไม่เป็นกลางไปดูตัวนี้ใจไม่ชอบความซึมเศร้าไปรู้ทันตัวนี้อ่ะต่อไปอสุท้านะคะอยากจะขออุปยาธิการปฏิบัติงนะรู้สึกตัวไปได้นะ คุณ ใ, ใจของการภาวนาก็คือรู้สึกตัวเรื่อยอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่เพ่งกายเพ่งใจคอยรู้สึกบ่อยๆยขอบพระคุณคหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปแล้วหลงไปคิดแล้วแต่ไม่เพ่งนะอ่ะต่อไปอ า, าจารย์เขาหลงห้องอยู่ไห น, น, นอ่ะนี่ครับอ๋อเจอห้องสาม ใชถามสาวค่ะแล้วแล้วอ้อาศจรแต่ว่าเาเ่าไม่ได้เราไปเล่าเรื่องไร้สาระให้พ่อฟังดีหลวงพ่อไม่ฟังเรื่องไร้สาระไม่ได้ถามนะอะไรจะถามเรื่องไร้สาระหรมไม่เอครั้งนี้มาาเรื่องปฏิบัติเออต้องถามเรื่องปฏิบัตินะเรื่องไร้สาระไม่เอาหรอกก็เนมอืพอเจอเลยถือว่ามันเคยงบ้านแล้วมัน ก็ดีแล้วนี่การภาวนามีสองอย่างนะอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นนั้นสมถกรรมฐานอีกการหนึ่งภาวนาเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการที่คุณเดินจงกรมแล้วเห็นจิตมันไหลไปไหลมาเราก็คอยรู้ทันอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่ากให้อยางให้หลวงพ่อช่ยชีนั้นให้ฟงนะครับว่าผมตึงไปไหนยังไงบ ตึงไปขอบคุณครับดูให้สบายกว่านั้นนะเอาต่อไปเชวญคน <มา S 1> นี้หย่อนไปห ย, นะออย่อนไปไหนไปไหนเออหย่อนไปไหนนะนนคืออย่างนี้จ้ะค่ะโยมได้ส่งแั่บ้านหอบพ่อที่บ้านอารีเมื่อเดือนกันยาหลบพ่อบอกว่าเพ่งให้ปล่อยๆนะคะผ่าอออนามาประมาณ8เดือนเดี๋ยวโยมส่งกต่งบ้าน สองสามเดือนแรกโยงลงมากว่าเพง่งอะไรปล่อยอะไรแต่ว่าก็ทําไปเรื่ อ, อ, อยแล้วกพอสักประมาณห้าเดือนผ่านไปก็เริ่มแยกของว่าอันนี้คือเพ่งอันนี้คือปอยแต่พอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ตึงเต็มมากพอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราค่อนข้างาหลับไปใน เ, เรื่องของความขีเ้เกียจแล่ว่าโอเคบางทีสงสัยก็สงสัยก็รู้ว่าสงสัยคืออย่างี้ยพอเรา เราไม่เพ่งแล้วนะเราก็ต้องขยันภาวนาเช่นนั่งสมาธิเดินจุกลมอะไรนี้ต้องทําแต่ไม่ได้ทําเพื่อเพ่งกายเพ่งใจทําไปเพื่อคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนะมันหย่อนไปตรงนี้แหละแล้วก็อย่างเย่างที่พว่าพอช่วงมเมษาได้มีโอกาสหลีกเล้นไปภาวนาก็รู้สึกกายรู้สึกใจสบายสบา ย, บายก็รู้สึกว่าหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ความทุกข์ที่เคยทุกข์มากมากมันมันก็ยังทุกข์แต่น้อยลงจากที่เราเคยโกรธยาวๆเราก็ซาดรลงเคยเห็นไหมเห็นไหมความทุกข์มันอยู่ห่างๆเคยนะความทุกข์มันอยู่ห่างๆแล้วกิเลสมันก็อยู่ห่างๆโรคมันอยู่ห่างๆนี่ใจที่เราฝึกจนมันตื่นขึ้นมามันจะเห็นว่าความทุกข์ก็อยู่ไกลๆออกไปแล้วมันเหมือนคนอื่นทุกข์แล้วไม่ใช่เราทุกข์แล้วคมันมันเริ่มดี จริงๆเราก็ยังคี้โกรธขี้วีนขี้แบบเหมเดิมแต่ว่าโยไม่เข้าใจว่ามันมันเหมือนหาเพราะว่าเรามีสตินะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายห้ามโกรธพิสูจทั้งหลายห้ามหลงห้ามโลภไม่เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายจิตมีความโกรธรู้ว่ามีความโกรธจิตไม่มีความโกรธรู้ว่าไม่มี น, นะเราแค่รู้เท่านั้นเองในที่สุดมันจะเห็นเลยจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันอยู่ห่างๆออกไปละฝึกไปจนกระทั่งเห็นขันมันเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์กับขันนั่นแหละ ถึงจุดนี้หลวงพ่อมีคำแนะนำสเกตตอนนี้ต้องทําในรูปแบบได้ละวนะเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงการทําในรูปแบบสม่ําเสมอจะทําให้จิตมีกําลังนะไม่ทิ้งนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนบอกไม่ให้ทําสมาธิรามฐานไม่ใช่แต่เราต้องรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นงไง ร, รู้ตัวเป็นงไง ร, รู้ชํนชนานี้ชํานาญแล้วถึงค่อยมาเจริญมาทําสมาธิได้ถ้าไม่งั้นจะไปเพ่งหมดเลย อย่างที่คุณติดมาแต่ก่อนรู้สึกไหมกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นอะใช่แล<ะ>้วค่ะนี่ไม่ดื้อนะหลวงพ่อสอนอยู่ไม่กี่เดือนใจมันก็เริ่มหลุดออกมาแล้วไหมเห็นขันห้ามันทํางานใจเป็นแค่คนดูความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงรู้สึกไห ม, ไมความสุขก็สั้นลงด้วยนะน ะ, นะต่อไปไปดูนะต่อไปรับปัญญาแจ้งขึ้นมาโอ้โหไม่เห็นมีความสุขตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตที่ไปรู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนนะั้นมีความสุขที่สุดเลยะนะ หลงพ่อเจ้าค่ะเพราะลงพ่อบอกว่าให้ไปในรูปแบบเี่ยวมีหนึ่งคำถามประดีที่ีท่ที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยแนะนำโยมเพราะว่าในที่ทางานเนี่ยโยมจะเจออารมณ์ที่ึงมเร่เดี๋ยวเอาไบไวหน่อยเอาย่อๆก็คือเขาแนะนำให้ไปภาวนาแนวแบบดูดูผี จะว่าใ ห, ให้ดูเวทนา ะ, ะานีือให้มีสมาธิมากขึ้นดูเวทนาต้องทำสมาธิซะก่อนนะไม่ใช่ดูเวทนาเพื่อให้มีสมาธิพลเรื่องกันกายานุปษษัสนาการตามรู้กายเวทนานุปษษัสนาการตามรู้เวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกนี่ทำฌานซะก่อนแล้วพ่อยไปรู้กายและเวทนานยินดีที่โยมฝึกเหมือนเดิมแต่ทในรูปแบบรักขึ้นแต่ยังทำที่หลวงพ่อทได้สิพอแล้วเอนะไปเดินจงกรมพระคนต่อไป นมัส ก, การเจ้าค่ะพอก็ตอนอายุสิบสองก็เห็นความผิวที่ขึ้นมาเป็นทุกแล้วก็อยากออกบัวนับตั้งแต่บาตรงา น, น<อ>แต่ก็มีภาระคือต้องเรียนดูคุณแม่ค่ะก็เรียนหนังสือมาจนเรียนจบก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะครัวมีลูกก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็เลยไปปฏิบัติที่วัดป่าแห่งหนึ่งเดือนทุกเดือนเลยค่ะป่ามมาได้สองปี ปลายปีห้าหนึ่งค่ะก็เป็นวันสุดท้ายที่ไปวันนั้น<ม>ก็ไปนั่งในป่าแล้วก็หนูทําพุโทโธนะคะแล้วก็อัสุภจรลาคาจาริมันน้อยโลง<ม>และในวันนั้นนะคะหนูก็เห็นกายมันทํางานเอง<ม>เริ่มจากหัวใจหี่เต้นแล้วก็กลุจิฉเรื่องทุกอย่างในร่างกายทํางานเอง<ม>และเมื่อออกจากสมาธิมันก็ขาเราเมื่อลืมตาเห็น คือมือแต่มันจำไม่ได้ว่านี่ถุงมันก็ตกใจว่าก้อนอะไรมันตั้ง อ, อยู่ตรงนี้นัน แ, ลแล้วก็เห็นรูปแล้วคเห็นจิตมันอยู่ข้างบนแล้ววันนั้นก็รู้ว่ากายอย่างหนึ่งวิญญาณอย่าง แต่ไม่ได้หลุดที่วิญญาณต้องหลุดที่จิตแต่จิตอย่างเดียวหลุดไม่ได้ต้องมีสติหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้ก็อธิฐานหลังจากนั้นเจดวันได้ทีวีของหลวงพ่ อ, อวิธี ป, ปฏิบัติแผ่นแรกเลยค่ะแล้วก็ฟังครั้งไรกก็ใช่เลยลองมานานแล้วแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปีห้าหนึ่มาจนบัดนี้ปีครึ่งก็กล้าที่จะออกมาถาม Hmm. เพราะว่าเนมะื่อ่วงสงกรานต์ได้มีโอกาสโชคดีได้บวดหนเจ็วันนะคะช่วงนั้นหนูก็ตั้งใจที่จะดูจิตเพราะว่าระหว่างที่หนูทำ ง, งานหนูจะเจอลูกค้ามากมายจิตใจก็จะไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่ต้องคอยเซอร์วิสลูกค้ hmm. าค hmm. ่ะพอดีมีอาชีพ hmm. เป็น hmm. เทเลแคลดอนฉ uh, นะก็เลยไหลไป hmm. มารู้สึกตัวทุกครั้งคือตอนที่ขับรถออกจากร้านแล้ว hmm. ก็เป็นเวลาที่ รู้สึกว่าเออทาไมมันหลบไปทุกวันพอได้ไปบวดช่วงนั้นหนูก็เห็นจิตชัดเจนที่ว่ามันวิ่งออกไปแต่ไม่ได้บังคับมันมคือมันพี่ออกมาไปหลบไปคำหนึงแล้วมันก็จะกลับมาแต่กลับมาก็จะรู้สึกตั้งมารู้สึกตัวขึ้นมาตรงที่กลับมาอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเราจะแน่นๆถ้ากลับมาแล้วแน่นนี่ผิดเลยนะแต่ก็ไม่รู้สึกแนะ่นเหมือนสบายสบายใช่ไนก็น<ห>เดี๋ยวออเดี๋ยวหยุดก่อนเพลินไปแล้ว ค่ะเอาให้คนอื่นบ้างนะมีสิบห้าคนเอาว่าไปเขาช่วยต่อครับให้นิ่งๆเาวันนั้นเห็นเห็นจิตมันไปเกาะเกี่ยวความรู้รทุกขนะให้รู้ลูกเดียวเลยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปแทรกแซงเขานะไม่ประคับประคองให้นิ่งตัวรู้ก็ไม่ประคองเอาไว้มีก็มีอยู่เดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่ากับตัวอื่นไปทำเอานะเห็นไ้มเห็นใจที่อยากพูดไหม อ้าวตับไปนะมีเดียวไม่ทันท ำ, ทำนท้ำพิธีกรรมตคุณเจ้านะคะโยมเคยปฏิบัติในลักษณะสมถธมองเปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ก้าหน้าเืมประเอบบนนินได้แตรจะนําินําซีดีของคุณเจ้ามาใช้คุก็บอกว่าที่จะไปไม่ใช่ทางยั้นแล้วที่พอเริกลงมงอปิบัติก็ยังจิดในแบบเกก่านะคะ เออก็เลยคิดว่าอ่าตาดูจิตดูกายมันคืออย่งไรมันเป็นอย่างเดียวกับรูปหรืนามเป็นอืมก็อันเดียวกันแหละนะเมื่อพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกายกับใจถ้าพูดให้ถูกต้องก็คือรูปกับนามพูดพูดโดยอนุโลมเท่านั้นแหละว่ากายกับใจอ่อมาข้อที่สองนะครับขนาดที่ปฏิบัติอยู่ก็จะมีมารู้สึกว่าขนาดอย่างเช่นสิบบนเรืนจงกรมนั้นนะ ก็ตามรู้กายจะไม่ค่อยทำไม่ได้อนะ่ะรู้สึกจิตจะแวบไปแวบตลอดแต่ก็ตามรู้ว่ า, าคิดไปของโยมนะให้ดูจิตเอาของโยมดูกายไม่เหมาะหรอกเพราะโยมเป็นพวกทิฏีิจริ ต, ต, ตพวกช่างคิดให้รู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาน ะ, ะไปทำเอานะไปทำอเอาอ้าว<ะ>ต่อไปย่อๆนะไม่ต้องเล่ายาวสวัสดีค่ะ ยมจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเป็นคำถามง่ายๆก็คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าถึงโลกหลอนซึ่งยมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างระมวดระวังว่าจิตเนี่ยเช่นตัวอย่า ง, งยมเป็นนักธุร ก, จกิจนะค่ะก็กลัวว่ามันจะรวยเกินอย่างนี้จะค่ะก็โลภหรื อ, อ่างองเง้ยค่ะก็เเป็นขลรวาดนะมีหน้าที่รวย เป็นพระไม่มีหน้าที่รวยเป็นฆราวาสน่ะต้องมีความสุขจากการมีทรัพย์พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเธอจงเป็นฆราวาสที่อนาถาคนเรามีความสุขเพราะมีทรัพย์มีความสุขจากการใช้ทรัพย์ใช่ไหมมีความสุขจากการไม่เป็นหนี้นี่เพราะนเรามีหน้าที่หากินโดยสุจริตต้องหากินไปไม่ใช่ว่าเป็นความโลภมากต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเวลาเราทํามาหากินเนี่ยเราอยากรวยเท่านั้นรวยเท่านี้นะอันนี้โลภ หน้าที่เราก็ทำงานให้เต็มที่แล้วมันก็ได้ผลเท่าที่มันควรจะได้เหตนั้นไม่เรียกว่าโลภหรอกเรียกว่าสันโดษจะเกิดได้เยอะไปเพราะเราทำงานเก่งก็ไม่เห็นจะเป็นไรในสมัยพุทธกาลชาวพุทธ ร, รวยๆก็ถมเตะไปไม่ใช่ว่าทุกคนต้องยากจนล้องไงที่เราตั้งเป้าท่ า, ทานอาจารย์สอนว่าชาวพุทธควรจะตั้งเป้าเป็นโซดาบัต ก็เป็นพระโสดาบันนะภาวนาเป็นจนเกิดอริยมรรคขั้นแรกะเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปเป็นพระอราหันต์ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันมีศีลห้านะเรามีศีลห้าไปก่อนพระโสดาบันเนี่ยเขาลบเริ่อมใสในพระรัตนตรัย ไม่ได้ไปเคารพอย่างอื่นนะไม่คลอนแคลนไม่ใช่เจอเจ้าพ่อนี้ก็ไหว้เจ้าแม่นี้ก็เอาเป็นสรณะนะอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้ตูคงจ้ตูคำอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่ะนะแล้วก็พยายามฝึกเจริญสติไปพอรู้กายคอรู้ใจแล้วว่าหนึ่งคนเขเป็ น, น, นการธรรสถานเจ้ค่ะดิฉันได้เคยศึกษาธรรมวิสสาแต่ในยุคต่รรษที่สองศตวรรนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีครอบครัวก็ได้พยายามศึกษาแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัต<ม>ิพอมาช่วงหลังนี้คือลูกบวชอะไรโตหมดแล้วก็<ม>ได้ปฏิบัติจริงจแล้ว<ม>ประมาณสิบกว่าปีอะค่ะ<ม>พอช่วงหลังนี้มาได้คือมีปัญหามากมายดังการคลองเรือนและก็<ม>การทํางานนะคะ<ม>ก็ยิง่งศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นนะคะ แล้ววันหนึ่งก็ได้พบหนังสือเล่มหนึ่งที่สอนวิธีการละสักกายะจิตจิตรงนั้นนะคะพอมาถึงวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยจิตนิ่งพอสมควรเมื่อเกิดทุกข์แบบน่ก็จะมองเห็นสภาวะตรงนั้นแล้วก็เข้าใจคนที่ทำให้เราเกิดทูกขนะคะแล้วก็รับความทุกข์ได้เร็วขึ้นมันไม่ใช่เรื่องละสักกายะจิตจินะมันยังเห็นมีคนอยู่มีเรามีเขานี่มนไม่ใช่ละสักกายะจิตจิยังมีสักกายะจิตจิตอยู่ยนะ มีสีนะแต่เราก็มองว่าเออนี่คือการได้ยินเรารับรู้ว่าได้ยินแต่เราจะแบบอย่าเจตนานะยังจงใจอยู่ใช่ยังจงใจอยู่นะคะแล้วอีอันหนึ่งก็คือว่าพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะพอเกิดความทุกข์เราก็ละความทุกข์ได้นะคะทุกให้รู้ทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละนะมีความทุกข์เกิดมาให้รู้อยากให้พ้นทุกข์นี่มีสมุทัยแล้วให้รู้ทันว่าอยาก แล้วก็รู้ทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วก็จะเห็นเลยขันมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะแล้วตรงนี้ที่จะยังจะกราบนักปัสกาเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นวิปัสนาหรือว่าอย่างยั ง, ยงมไม่เป็นนะถ้าสมถา น, นี่ยเรามุ่งเอาความสุขความสงบความดีของโยมอยากได้ความสุขใช่ไหมอยากจะละทุกข์เราไม่ได้มุ่งที่จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเรานะ แล้วเราค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะฟังค่ะแล้วไปฟังฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไปอีกอีกอันหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอยากจะเรียนถามนะคะว่าคําว่ามโนมยิทีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคืออะไรเป็นริษทางใจนะอันนี้อันนี้เอออันนี้มันเลยเรื่องวิปัสสนาไปนะนะถ่านให้คนเห็นเถอะนะแล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะคะว่าถ้า คือวิปัสสนานีกับมโนโมายธินี้จะคนล ะ, ะเรื่องกันนะมโนโมายติเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของอภิญญานะส่วนที่เราฝึกมโนโมายติเราดูเอาไฟส่องแล้วเห็นเป็นดวงสว่างสรงจิตไปต้นนี้อันนั้นไม่ใช่นะมโนโมายตินะไม่ใช่มโนโมยิทธิในพุทธศาสนาหรอกออนะั่นคือการฝึกกระสินแสงสว่างาพอ เ, เป็นกระสินแสงสว่างคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรมันเป็นส่งจิตออกไปรู้ไปเห็นใช่ไหมไปรู้เทวดาไปรู้ผีไปรู้นรก ไม่รู้อันเดียวไม่รู้ตัวเองมิปัสนาต้องรู้ตัวเองนะอยาาเฉยๆจะไม่ได้ที่ว่าจะปไปคนอื่นนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวก็จะปิดห้องประชุมาถ้าสมมติจิตไหลไปอยู่ที่คนอื่นแล้วอย่าดึงแค่รู้เฉยๆว่าไหลไปอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วแน่นจิตที่แน่นจิตที่หนักจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อคืออกุศลจิตนะอกุศลชนิดโทสะโมระจิต แลนะ้จิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานไม่ไม่นน ไ, ไม่แน่นอะ่ะอันนี้เห็นตะคงอยูาา่ไหมคถูกต้องถูกต้อง <c oughs> ใช่ใช่ใช่เห็นถูกต้องแล้วอ่าต่อไปอะไม่จบเหรอเวลาเหมือนเวลาฟังเทพหลวงพ่อแล้วน้ำตาจะไหลเลยจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติเลไม่ได้ติดสมถะไม่ใช่ไม่ใช่ใครฟังเทพหลวงพ่อแล้วติดสมถะก็น่าอาศศศัศจรรย์ ลูกอยากทราบว่าจะเรียนคาลูกนั่นแหละที่ฝึ ก, กอยู่ใช้ได้แล้วดูกายดูจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ดูไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้จิตมันเริ่มตื่นแล้วเจ้าค่ะแล้ววิหารธรรมที่หมาะสม น, นั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วมันเห็นจิตของมันเองตอนนี้ยังไม่แน่ใจสภาวะที่เรียกว่าหลงตอนนี้กาลังหลงนกออกไหมเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจมันนันเรียกว่าหลงนะ เมื่อไหรรู้สึกกายรู้สึกใจก็เรียกว่ารู้เมื่อไหรเ่เพ่งกายเพ่งใจเรียกทาสมถะเาคะหนะึ่งตอนนี้ก็ผิดประคองใช่แต่ตอนแรกไม่ประคองตอนนี้เริ่มประคองแล้ว่ะเนะีย่ยรู้ทันอย่างนี้นะะมันคือการเรียนรู้ตัวเองจิตไปแอบทาอะไรรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทำของมันได้เองไม่มีตัวเราหรอกจค่ะนะดีแ ล, ล, <ะ>ล้วหล่ะ คือเรียนรู้ยังรู้สึกว่ายัางแยกหน้าที่ที่เป็นสมมติทางโลกกับความจริงที่เป็นสาจาัจจะอันสูงสุดเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยได้คือถ้ า, าใจเราหลงไปในโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งนะไปรู้เรื่องราวนี่ไเ่ได้รู้อารมณ์บัญญัติถ้ารู้สภาวะของรูปของนามของกายของใจงนี่เรียกอารมณ์ปรมาสต์อย่ยตอนนี้จิตหลงไปรู้สึกไหม ขณะที่เราใจลอยไปเนี่ยเราลืมกายเราลืมใจแล้วก็เราหลุดจากอารมณ์ปรมาทและเราไปอยู่ในอารมณ์บัญญัติขณะนั้นตกจากวิปัสสนาแน่นอนเลยเจ้าค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะเจ้าค่ะเอ่เยย่อๆนะเจ้าค่ะรู้สึกทีมที่ถามอันนี้ถามได้ยาวมากมากไปคืออย่างน้องชายของลูกนะเจ้าค่ะอืม ไม่เชื่อในรอประคุณธพระธรรมพระโสดมเขาไม่เชื่อเขาคือเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระแล้วรู้ควรจะปฏิบัติดูได้เขาย่างไรก็เราภาวนาของเราให้ดีนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นเรามีความสุขให้เขาเห็นน ะ, ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคนใกล้ตัวถึงจะยอมเชื่อถ้าเราเองภาวนาแล้วเราก็เครียดเครียดเขาก็ไม่เชื่อหรอก พอช่วยแถ่เมตตาให้น้ชายด้วยนะหลวงพ่อแผ่รอบโลกทุกวันกลวงรอสาธกพุการ์หงพ่อจเจ้าอ่ อ, อย่างเวลาที่ฝังหลองพ่อเมื่อกี้เนี้ยแล้วมันก็จะเห็นเสียงเที่ยงพ่อพูดออกมาตัวเองก็กนล้อมแล้วมันก็จะมีตัวที่ลูเข้าไปเห็นตัวเองอแล้วพอหลวงพ่อพูดจบเ อ, อ ไอตัวที่หัวล็อกของเราเนี่ยมันดับไอตัวที่รู้ว่าหัวล็อกเนี่ยมันก็จะดับเออถูกแล้วแต่ลักษณะแบบนี้ยมันจะไม่ต่อเนื่องมันเหมือนเป็นจุดไข่ปลาไม่เป็นจุดไข่ปลาถูกต้องแล้วอย่าให้ต่อเนื่องนะเส้นที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นเส้นตรงนี่ยเป็นแค่ภาพหลวงตาสิ่งที่เห็นเป็นเส้นนะจริงๆเป็นแค่จุดต่อๆกันเท่านั้นนั้นรู้ปัจจุบันเป็นขณะๆไปเราจะรู้สึกเหมือนกับเรารู้ตัวต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่อง จิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นผู้รู้ซ้อนอยู่ตัวมันจะซ้อนซ้อนซ้อนไปได้แต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ของคุณจุดที่เริ่มพลาดนะคือไปใส่ใจคอยดูตัวผู้รู้มากไปไม่เอาตัวนี้ไม่เอาท่านห ม, มูพยายามดูว่าตกลงมันมีผู้รู้ีหลวงูนบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตใช้ผู้รู้สแสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณเป็นอ น, นันต์ ไม่สิ้นสุดหรอกมันจะมีตัวรู้ซ้อนซๆๆนซไปเรื่อยเขดูไปเฉยเดูเฉยเฉยอย่าถลำลงไปดูของคุณเวลารู้แล้วถลำลงไปรู้นะดูห่างห่างทีนี้พอเสียงของหลวงพ่อรู้รู้ทันใจเรานะรู้รู้ทันใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยปล่อยป่อยแล้วใจลอยงั้นไม่ได้นะเอาไปให้คนอื่นบ้างขอการสองข้อเจ้าการหลวงพ ตอนนี้สภาว่าเป็นยังไงบ้างค่ะหึแล้วหนูจะให้เป็นอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรต้องการถามอะไรขอคาแนะนำเพิ่มเติมค่ะก็รู้ลงปัจจุบันไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆดูเขาทํางานอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาตอนนี้แทรกแซงแล้รู้สึกไหมรูม้สึกค่ะอย่าแทรกแซงรู้เฉยๆดูทําตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้กํากับเวทีคอยไปควบคุมเขา แล้วก็ขอฟังเรื่องสภาวะแยกรูปถอดของหลวงปู่ดูนะจ๊ะให้เอาไว้ให้ถึงก่อนแล้วค่อยดูค่อยฟังนะเรียนภาวนานะอย่าไปสนใจอะไรที่ไกลเกินไปพยายามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยปัจจุบันนี่ของสําคัญที่สุดนะถ้าฟังล่วงหน้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากกเส้าการค่ะหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้าน ยอมอยากรู้ว่าจิตของยอมตื่นขึ้นบ้างหรือยังตื่นขึ้นบ้างนะแต่ขณะเนี้ยประกองไว้ดูออกไหมขณะนี้มีโมหะแทรกมัวนิดนึงดูออกไหมค่ะแต่เคยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยความอยากพูดเกิดขึ้นเห็นไหมไมีเห็นเหรอนีนะเนี่ยฝุดขึ้นมาแล้วก็รู้อย่างนี้แหละค่ะรู้อยากนั่งสมาธิให้หลวงพ่ดูเอาสินั่งไป นั่งให้สบายกว่า น, นั้นนั่นเป็นการบางังคับจิตแรงไปนะมันจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะไม่เกิดความสงบอย่าน้อมจิตให้ซึมนแสดงว่าีลูกทเมื่อกี้คือูซึมซึมไปรู้สึกไหมมันน้อมจิตให้ซึมเรา <จะ S 2> คิดว่าซึมกับสงบเป็นอันเดียวกันซึมเป็นชื่อของซ่วมไม่เอาเลยนะอ๋อันแสดงว่าที่ทที่บ้านนี่คนเนใช่มใช่มันน้อมใจลงไปเมื่เวลาเรานั่งสมาธินั่งรู้สึกตัวนั่งมีสตินะ เห็นร่างกายนี่หายใจหายใจเราเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆคือดูให้กาให้กายกระจายมันแยกกันแต่ <ขอ S 1> ไม่จงใจหรอกขอที่ขาา้างทางหนนะคะคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราฝึกภาวนามันจะดีขึ้นแต่ทำไมพี่ร้องข้างบอกว่าเราอยู่ขี้โมโหขี้มห่มบอกซิว่าเมื่อก่อนขี้โมโหขี้งุ่นงิดมากกว่านี้ไหมกว่านี้ค่ะเออบอกดีขึ้นแค่นี้ควรจะพอใจ คนเรามันจะดีอะไรวิเศษวิโสในฉัพพลันเราต้องมีความสุขให้เขาเห็นนะแล้วเขาตามเราเองคนที่ไปเรียนอยู่หลวงพ่อนะเรียนเป็นครอบครัวนี่เยอะมากเลยที่แรกมาคนเดียวก่อนนะแล้วเสร็จแล้วอยากผู้หญิงมาเนี่ยเสร็จแล้วก็หัดภาวนาดูของตัวเองไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเคยขี้บ่นหงุดหงิดขี้มโมโหอะไรแนละ้วค่อยๆเปลี่ยนไปสามีสงสัยนะมาเรียนกับหลวงพ่อประมวลนี่หลวงพ่อสะกดจิตอนะมัง้งมาดูสัหน่อยสิ มานั่งฟังไปฟังมาเดี๋ยวมาพากันภาวนาทั้งบ้านนี่ยเยอะเลยนะแล้วชีวิตในครอบครัวนี่เต็มไปด้วยความสุขในช่วงหลังๆเราลูกๆจะถามว่าปัญญาบังอย่างที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันหนึ่งมีความหมายจากคุอะไรอืมมันเกิดขึ้นด้ตัวของมันเองเกิดเรื่องตัวมันเองปัญญาไม่ได้ปัญญา <c oughs> ไม่ได้เป็นอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นเองขอบคุณท่าอ้าวต่อไปนักมศกันก็อยากจะขอขัอ แนะนำว่าการเริ่มต้นพุทธะพุทธกับผมควรเป็นยังไงก็ได้แหละนะหาลมมาอันหนึ่งพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วก็ดูใจของเราไปเรื่อยพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปหรือรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันใจของคุณเวลารู้ลมมันจะไปเพ่งระวังนิดนึงพอไปรู้ลมเริ่มไปเพ่งใส่ลมคือผมตั้งแต่ไม่เคยทำแบบจริงจังยังไม่เข้าใจว่าเพ่งหรือรูวิบตั้งเป็นยังไงอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหม เราแค่คอยหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองที่กำลังเกิดนะฝึกแค่นี้พอแล้วละนะเดี๋ยวตัวอื่นจะเข้าใจขึ้นมาเวลาเราไปเพ่งเนี่ยมันคือการคอนเซนเทรตเช่นเราเห็นลมหายใจนะจิตเราจะไปจ้องอยู่ที่ลมเลยไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลย น, <Yeah. S 1> นั่นแหละคือการเพ่งนะ <Yeah. S 1> ลองลองเอาหัวแม่มือตัวเองแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือสิให้จิตไปอยู่ที่หัวแม่มือเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือการเพ่งนึกออกไหม น, นี่คือการเพ่งไม่เอาเสียเวลา มันไม่เกิดปัญญาสงบอย่างเดียวพยายามรู้สึกตัวไว้เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานรู้สึกไปเรื่อยเรยเรื่องความรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าโมโหเป็นไหมโกรธเป็นไหมโกรธเป็นคนที่โมโหเวลาโมโหขึ้นมาก็เห็นว่าใจกําลังโมโหอยู่ฝึกแค่นี้แล้วดูไปเรื่อยจะเห็นในความโมโหเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปฝึกอย่างนี้แหละนี่แหละที่เรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูอะไรที่ลุ้ยที่ลั่นหรอกะ คอรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นเองเพราะผมเป็นคนที่บบฟุ้งซ่านอ่ะไม่ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะมจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบที่จะฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยไม่ยากหรอกนะของคุณอ่ะ <c ười> พวกขี้โมโหนะคนมีบุญ <c ười> เพราะจิตที่มีโทสะนั้เป็นจิตที่ดูง่ายที่สุดเลยมันหยาบที่ส่วนดูง่ายอ่ะต่อไปเหลืออีกสองท่าน พิธีมรณะาลค่ะเพิ่งเพิ่งได้มาโพลหลวงพ่อครั้งนี้ครั้งแรกได้ได้ฟังซีดีแล้วปฏิบัติตามมาก่อนอยากจะทราบว่าปฏิบัติใช้ได้บ้างยังใช้ได้สิเห็นกิเลสหรือยังล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมถ้าปฏิบัติแล้วก็ดีทั้งนั้นแหละก็ดีเป็นลำดับลําดับไปนะดีกว่าไม่ปฏิบัติเวลาปฏิบัติเราก็หัดรู้สึกตัวไป ใจลอยแล้วเราก็รู้โกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้โลภขึ้นมาแล้วเราก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์นะเราคอยรู้ไปด้วยเราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งวันเลยการภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจให้นิ่ง อ, งอย่างของคุณตอนนี้บังคับแรงไปแล้วไม่ชว่าจไม่ ส, ามาสไมเหาเราเป็นคนช่างคิดนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเลยไ ม, ไม่ต้องดูกายมันเห็นเองแหละ ถ้าไม่รู้กายเลยก็เดินตกถนนไปแล้วนะขอบพระคุณครับกับสมถนามพ่อครับผมปฏิบัติตามแนวของขลองพ่อมาสักประมาณสองปีเศษนะครับก็เร่องกจากการรู้สภาวะ่มจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเห็นแต่ว่าตัวเองนันมีอะไรที่มันเกิดเกิดตับตับแล้วก็สิ่งที่รับทราบก็คือมันมีแต่ความสุสนะครับใน ก็เลยรู้แต่ว่ามีความสุขแล้วมันก็เกิดตับๆก็ความทุกข์ก็เหมือนมันหายไปก็คือหางๆไปครับทง้งท่านที่บางวันมีความเครียดมากแต่ยิ่งเครียดแล้ก็ยิ่งจิตมันยิ่งสุขหลาดดีเหมือนกันแหลแประหลาดนนลยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งเบิกบานบกน็ดูอย่างมีปัญใช่ไหมครับใช่นะแต่ถ้าดูสบายกว่า น, นี้นะอย่ตอนนี้เครียดไปครับใช่คต้นึงเต้น ก็มีคำถาม ท, ที่เขาจึงฝากไว้นะครับว่าถ้าป่วยอยู่รู้ว่าจะตายจะต้องพุโทโธตลอดดีไหมครับหรือว่าให้มีสติทางรู้รักถ้ามีสติได้ก็มีสติไปนะถ้ามีสติไม่ได้ก็พุโทโธไปถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรได้ถ้ามีสติเรื่อยๆไปอาจจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรขึ้นเลยก็ได้ แต่ว่าคนเราอยู่ๆจะบอกตอนจะตายแล้วบอกให้มีสติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องซ้อมซะก่อนจะตายตอซ้อมให้มีสติซะก่อนเหมือนอย่างเราจะตกน้ำแล้วจะมาถามหาตําราว่ายน้ำเนี่ยไม่ทันต้องว่ายน้ําให้เป็นก่อนแล้วตกน้ําแล้วว่ายได้การที่เราจะฝึกสติจนตายอย่างมีสติได้เนี่ยเราต้องฝึกให้มีสติตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่นะแล้วเราคอยมีสติรู้สึกไปถ้ามันจวนตัวจริงๆพวกเราฝึก รู้สึกตัวดูจิตดูใจดูกายชํานาญนะเวลาเจ็บป่วยจริงๆนั้นนอนดูกายมันตายมีพระองค์หนึ่งท่านไปเรียนกับหลวงพ่อที่ที่ศรีราชานะวเวลาท่านมาเรียนท่านก็ฝีมือพอๆกับพวกเรานี่แหลนะะต่อมาท่านเป็นโรคโรคเดียวกับพุ่มพวงโรคอะไรไม่รู้ชื่อภาษาฝรั่งเราก็เฉยๆเราก็จําไม่ได้แล้วหนะลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านกะว่าพรุ่งนี้ท่านตายวันนี้เลยไปเยี่ยมท่านสันหน่อยไปให้กําลังใจท่านนะ ไปถึงก็ไปบอกท่านอาจารย์รอบนี้ตายแน่นี่ให้กำลังใจนะไปให้กำลังใจอาจารย์ตายแน่ยยังไงก็ตายรอบเนี้ยนะไหนอาจารย์จะตายนะอาจารย์นอนดูร่างกายมันตายนะใจเราเป็นคนดูดูมันตายไปเลย น, ะนี่ท่านทำได้จริงๆนะท่านนอนเห็นร่างกายมันตายแนละ้วจิต ท, ท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ท่านก็ได้กำไรไปนะถ้าเราภาวนาไม่เป็นเวลาจะตายและใจทุรนทุราย มีความทุกข์ตั้งแต่ก่อนตายแนละ้วตายไปก็ต้องมีความทุกข์อีกนะเพราะนั้น อ, นอนาคตนัเป็นสิ่งที่เราสร้างเองงั้นเราอย่าประมาทต้องฝึกไปตั้งแต่ก่อนตายนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนเลยนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยเป็นโรคฮิตมากเลยบางคนเป็นมะเร็งนะแล้วก็บอกว่าหมอบอกอยู่ได้อีกไม่กี่วันแนละมาหาหลวงพ่อนะบอกกรรมฐานที่เคยทํามาทุกสิ่งทุกอย่างนะแตกสลายไปหมดแล้วทําไม่ได้เลยตอนเนี้ บอกคุณทําใจให้สบายนะจะตายก็ช่างมันเถอะให้คอยนึกไว้ว่าร่างกายเนี่ยเราขอถวายเหมือนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไปเลยสละถวายบูชาเป็นพุทธบูชาเราจะมีสติคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะตายก็ตายไปเหมือนถวายดอกไม้กับพระพุทธเจ้าไปแล้วปักเกียกกันไปแล้วดอกไม้จะเหี่ยวเป็เรื่องของดอกไม้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนะจนป่านนี้ก็ยังไม่ตายเลยเพราะใจของแกเข้มแข็งขึ้นมา รู้สึกร่างกายในแกระสออกไปใจเข้มแข็งใจตื่นใจเบิกบานมีธรรมปีติหล่อเลี้ยงอยู่แตา่ยากนะมีหลายคนนะเป็นอย่างนั้นเมะ้นถ้าเจ็บป่วยจริงๆแล้วทุรนทุรายเนี่ยก็เท่ากับเตรียมนรกเป็นที่ไปเจ็บป่วยนะแล้วก็ห่วงโน้นห่วงนี้ก็เตรียมไปเป็นเปรตนะเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เพ้อคลั่งลงไปเรื่อยๆก็เตรียมไปเป็นเดรัจฉานเนะฉะนั้นเจ็บป่วยนะแล้วเราก็มีสติไว้ อย่างน้อยคิดถึงพุโทโธพุธโทโธนะก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ทำความสงบเข้ามาได้ก็เป็นปลมได้มีสติรู้กายรู้ใจไปเลยอาจจะกำลังแก่กล้าพอจะได้มรรคผลขึ้นมาคุ้มที่สุดเลยอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่ก่อนป่วยตอนนี้กำลังมีเรียวมีแรงต้องฝึกก่อนนะรอให้ป่วยหนักแล้วจะมาถามว่าจะทำกรรมฐานอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะต้องฝึกแล้วตั้งแต่ตอนนี้ เหมือนจะก่อนตกน้ำต้องว่ายน้ำให้เป็นซะก่อนต้องฝึกซะก่อนถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทถ้าประมาทก็ค i̇şte. ือตายแงแกตายอย่างเฉียดนี่ตรงเวลาเป๊ะเลยเห็นไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะปิดหอประชุมใช่ไหมบ่ยโมงครึ่งอ้าวจบรับสุดท้ายนี้ก็ขอตโอกันเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับ ร่วมกันกล่าวทําถวายทาาที่ผู้มาถวายไว้ครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายเรื่องัจจัยทายธรรมและสิ่งของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมชโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาณานเท อ, อยาถาวาริวหะปุราบริปูเรนตีสักรัง เอวเมว่าอ e an um ิโตดินังเปตานงอุปกัรปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมว่าสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติลาโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกภาะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังพอนานะเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เริ่มวันนี้นะให้เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้อย่าใจลอยคอยรู้สึกตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้บังคับตัวเองแต่คอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจทรมาน ยัมรู้สึกตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยจะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกนะจิต ใ, ใจเฉยเฉยคอยรู้สึกจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตสงสยัยคอยรู้สึกจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นในกายในี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะได้ธรรมะล้ได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นโสดาบันก็คือเที่ยงล้เป็นคนที่มั่นคงในพระศาสนา พระโสดาบันเนี่ยในทางศาสนาพุทธเรียกว่าพระเสขบุคคลเสขบุคคลคือได้เป็นนักศึกษาถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยถือว่ายังเอนทราไม่ได้หรือยังสมัครเข้ามอสทไม่ได้นะยังไม่ใช่นักศึกษาอาละศูนย์พ่อไปก่อนนะมีความสุขเข้าภาวนา